ขอความเจริญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่วงพระพบทธญาณได้นำเสนอปัญญาบารมีมาตามลำดับมาถึงข้อต่ อ, อไปที่สืบเนื่องมาจากปฏิสัมพิธาทั้งสี่ที่ท่านอธิบายไว้ในปัญญากถาในปฏิสัมพิธามากนะเป็นพระไตยปิฎกแต่ก็ท่านบอกว่าเป็นผลงานของพระสารีบุตรเทระ อย่างที่เคยเล่าฟังว่าภาษาดิบุตรนั้ น, นท่านอธิบายธรรมานีิลึกซึ้งคมขายแล้วก็ยากต่อการทําความเข้าใจบางเรื่องนี่อ่านแล้วต้องพักไว้ก่อนนะคือขบไม่ออกแล้วค่อยๆมาอ่านใหม่ก็ ค, คิดใหม่เรื่องทั้งหมดนี่จะยากถ้าพระโมคคัลลานะนี่ทุกเรื่องง่ายหมดจะพูดง่ายหมดปราณน น, นี่ยจะพูดไม่จะพูดง่ายไม่ค่อยยาก แต่ภาษาริบุตรจะอธิบายธรรมะลึกซึ้งมากแล้วก็จำแนกแยกแยะออกไปพิสดารเพราะในพวกปฏิสัมมิธามักจุนในนิเทศมานิเทศที่จริงก็อยู่ใ น, น, น, ในปฐในในัยดกนะิกแะแต่ค่อนข้างยากแต่ว่ามันทำให้เรามองเห็นในยะของแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้มองติดอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ตามปกติแล้วเราจะมองอะไรค่อนข้างแรงนะเราจะลองสังเกตว่า่น เอาตัวอย่างง่ายๆนะอย่างการเลือกต่างสวหรือคะแนนมันคือที่จริงคนผ่านเนี่ยคะแนนมันเยอะมันเยอะบางแห่งจังหวัดที่มีปัญหาเนี่ยประจัยว่าเขาเป็นแสนนะฮะก็ผ่านเลยไปเป็นแสนแสนกว่ามันห่างจากคนระดับที่ไม่ได้อันดับสามเนี่ยมันมันหลายหมื่นเพราะนสมมุติว่าคนจะถูกขโมยชื่อไปสักพันสองพันสักหมื่นสองหมื่นมันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไร แต่ว่าเราจะให้คนซึ่งเข้าได้มาในทางที่ชอบทมในกลายเป็นคนรับผิดในการกระทำของคนละเรื่องกันเราจะเห็นว่ารู้แล้วว่าคนละเหตุคนลผลกันนะนะคนลเหตุคนละผลกันนะคน ะ, คนะนนแนนที่ได้นั้นเป็นผลจากการเลือกของคนจำนวนมากแต่ว่าคนที่ถูกขโมยสิทธินั้นเป็นการกระทำของคนกลุ่มเล็กๆนะแล้วก็นับไปนะับมาก็ไม่ถึงพันคนนะเพราะฉะนั้น ตรงเนี้ถ้าเรามองกันโดยเหตุโดยผลแล้วมันใบหักกรบลบอะไรไม่ได้เลยคือคือสมมติว่าจะเพิ่มมาอีกสักหมื่นสองหมื่นนะ่ะมือมือที่ตัวเลขมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคือไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งที่คนคนทังได้ให้ไม่ได้เออถ้ามันเฉือนกันจากเก้าคะแนนยี่สิบคะแนนเลยว่ากันไปบางทีมันก็ต้องเหตุผลในเชิงที่เป็นเหตุผลของมันถ้าจะเหมากันรวดไปเลยเนี่ยมันก็สำคังจะรุนแรงไปเหมือนกัน ในสุดมันก็จะเกิดรังเกียจแหนงใจกันแหน่งใจกันว่าพอเขาได้สถานนั้นสงนั้นเราไม่ยอมเราก็อ เ, เได้มาในทางไม่บริสุทธิ์เราก็พิสูจน์ไม่ได้นะว่าไม่บริสุทธิ์เพราะเวลาเนี้ยโลกมันมันค่อนข้างแรงคืออย่าลืมอะไรง่ายเกินไปนะฮะแม้แต่บางครั้งเนี้ยมีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงนะซื้อเสียงใครมาซื้อไม่ใช่คนคนนั้นมาซื้อ สมมติวโโ่าฝ่ายตรงกันข้ามต้องการทำลายชื่อเสียงของคนคนนั้นนะ่ะเขาแน่ใจว่าเขาไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อฉันไม่ได้เธอก็ต้องไม่ได้ก็ลงทุนจ้างคนให้ไปซื้อเสียงในนามคนนะั้นเรารู้ได้ยังไงอันนี้คือเรื่องต้องคิดนะเพราะว่าอันสามารถทำลายกันได้ทุกวิธีคนเรานะต้องมีความลึกซึ้งต้องมีเหตุมีผล เพราะงั้นใจจะต้องไม่ค่อยอคติเท่าไหร่นะแต่อคติมากแล้วเนี่ยมันมักจะใช้วิธีการที่เบาโหลวและตามปกติแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าจับได้หลายท่านยากอยู่แล้วว่าไม่ชัดเจนบางครั้งบางคราวมันก็ต้องยกประโยชน์ให้แกจําเลยไปเหมือนกันเพราะว่ามีแต่คนอื่นว่านะเพราะว่าการจะผิดจะถูกเนี่ยมันอยู่ที่เขาทํามันไม่อยู่ที่ใครว่านะไม่อยู่ที่ใครว่าอย่างไงก็อยู่ที่เขาทำอย่างไงนะี่ยคือจับประเด็น ปัญญาในระดับของท่านที่ที่เรียกว่าได้ปฏิสัมพิทานหะคืออย่าลืมมาแตกฉานในเหตุในผลหรือแตกฉานในอัฏฐะพยัญชนะก็แล้วแต่จะเรียกอนะแล้วก็แตกฉานในภาษาแตกฉานในไห ว, วพริบ ป, ปฏิพานไววพริบปฏิพานนั้นเป็นเรื่องสําคัญเราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสแสดงถึงไหยพริบ ป, ปฏิพานใะนแต่ละเรื่องเนี่ยคนที่หมายมั่นปัดมือมาตั้งเยอะนะยอมสยบเลย เพราะอะไรพระทรงมีไหวพริบปฏิภาณในเรื่องนี้มากบางทีเนี่ยเขาวางแผนเนี่ยอุบาลีก็ะดีก็ดียไปได้จกรุมานก็ดีเนี่ยวางแผนที่จะเล่นงานพระพุทธเจา้าเป็นเดือนๆเนี่สะสมสัมมานาการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการกําหนดติ่งตางสร้างสถานการณ์สมมติอะไรต่ออะเนี่ยเพื่อจะเล่นงานพระพุทธเจ้าให้ได้มาถึงเจอก็สองสามประโยคแทนไปละนั่นก็คือไหวพริบปฏิภาณ เป็นปฏิสัมพิทาประการหนึ่งแล้วก็เป็นการใช้ปัญญาทั้งหมดนะครับทีนี้ในข้อนี้ท่านจำแนกไว้เป็นสิบหกลักษณะเป็นลักษณะนะ ค, คือหนึ่งการได้เฉพาะซึ่งปัญญาก็แล้วแต่ปัญญาการไดมาก็ไดมาสองแนวยางที่ว่าเนี่ยแลวหนึ่งก็คือเป็นปัญญาติดปาโดยกำเนิดแนวที่สองก็คือเกิดขึ้นจากการประกอบกระทาเอาในปัจจุบันแล้วผ่านกระบวนการพัฒนาปัญญามาโดยลาดับ แล้วปัญญาก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆนะฮะเรียกว่าปัญญาก็จเจริญถึงจุดหนึ่งก็ไผ่บูรณ์ฉะนั้นเรียกปัญญาประเภทเนี้เรียกมหาปัญญาคือที่มีปัญญามากแล้วก็ปุรุปัญญาปัญญาทธินานแน่นมั่นคงไม่สามารถที่จะโยกครอนได้น่ะคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับพระมาลัยที่ตันไม่ใช่พญามิลินที่ไปซักพระนาคเษน่ะ ไม่เข้าใจก็คุณเจ้าอาธิบายมาโยมไม่เข้าใจเอาอุปมาอื่นยังมีอยู่อีกมาบอกพิษอธิบุปมาแล้วไม่เข้าใจเอาก็อธิบายใหม่นะในที่สุดก็ยอมและการโต้ในลักษณะเ น, นี้ยอุบาลีกระดั บ, บดีนี่เคยมาโต้พระพุทธเจ้ามันประเด็นสําคัญเนี่ยว่าพวกพวกพวกนี่ครนพวกชีปเปลยนะพวกชีปเปลยนี่เขาถือว่าเขารียกกายะทันกับว่าจีทันนะ กายธาตุกับมโนธาตุคือหมายความอาการพูดกับการกระทําเนี่ยกับความคิดทางจิตเนี่ยอะไรมันจะรุนแรงมากกว่าเพราะนั้นถือว่าการทําการพูดนี่รุนแรงมากกว่าแต่พระเจ้าทรงแสดงว่าความคิดเนี่ยมันรุนแรงมากกว่าเพราะพวกนั้นเขาทําไปตามคิดก็พูดไปตามคิดนะฮะตัวเหตุได้แรงมันไม่จะอยู่ที่อาการทางกายทางวัฏ จ, จารแต่เปนอยู่ที่ความคิดของคนเหล่านั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงยกตัวอย่างอุปมาขึ้นนะ ประสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคนคนหนึ่งเขาบอกว่าจะฆ่าคนในเมืองนาลันทาให้หมดชักดาบมาบอกจะฆ่าคนให้หมดถามันทาได้ไหมบาลีบอทําทไม่ได้แร้วแล้วก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งเขามีฤทธิ์เมีย ม, มน่าทางจิตนะจะจะบันดาลด้วยฤทธิ์ได้คนในเมืองนาลันทาเนี่ตาย ห, หมดทําได้ไหมท่านบอกว่า มันไม่ต้องเมืองเดียวหรอกเป็นสิบสิบเมืองก็ทํำลายได้พระเจ้าก็สรุปว่าเออถ้าอย่งงางนั้นกายสาคัญกว่าจิตหรือว่าจิตสำคัญกว่ากายอันนี้คือย้อนกลับไปคิดเป็นแนวการอธิบายคือการเท่ของพระพุทธเจ้ามันจะมีอยู่สีแนวด้วยกันแนวหนึ่งก็ได้เอกังสปยากรคือว่าจะแสดงโดยในยะเดียวเจอที่ไหนก็เจออย่างนี้ทั้งสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเวนตานี่เจออย่างนี้ทุกที หรือว่าอบายยมุกเป็นทางเสื่อมก็เป็นอย่างเนี้ยหรือสติสัมยัน์ญาเป็นธรรมอุปการะมากก็เป็นอย่างนี้ทุกทีคือมาความว่ามันพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่ะจนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะอธิบายอย่างอื่นไม่ได้คือสลับไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าเป็นวิพัฒชะพยากรคือจําแนกแบ่งแยกให้เห็นว่าไอ้นี้มันเป็นมาจากเหตุอะไรไอ้นี่เป็นเหตุมาจากอะไร เชนะ่นสมมติว่าใครก็ถามว่าคนทําชั่วแล้วตายไปตกนรกเสมอไปหรือไม่เนี่ยมันไม่แน่หรอกแต่ว่าที่ตกนรกเพราะผลกรรมชั่วนัแน่แต่ว่าคนทําชั่วจะต้องตกนรกหลังจากตายไปทุกคนเนี่ยมันไม่แน่เพราะอะไรเพราะกรรมมันหลายกรรมกรรมในอดีตมันก็มีทั้งดีและไม่ดีและกรรมในปัจจุบันนั้นเอาแหละสมมติว่ากรรมไม่ดีแต่ก่อนดับจิตอเธอคิดยังไงเราก็ไม่รู้เพราะงั้น คนที่เกิดในทุกติเพราะกรรมชั่วนี่ใช่เกิดในสุกติเพราะกรรมดีนี่ใช่แต่ว่าในชาตินั้นเน่ยมันเขาเกิดด้วยกรรมว่าไม่ใช่ว่ากรรมชั่วในชาตินั้นจะให้ผลก่อนเสมอไปนะฮะหือกรรมดีที่เกิดขึ้นก่อนจิต ด, ดับอาจจะให้ผลก็ได้หรือกรรมดีที่มันตามมาทันแล้วมาให้ผลก็ได้ก็ไม่แน่แต่ว่ากรรมนั้นต้องให้ผลไปตามสมควรแก่ฐานะของเขานะี่ยคือแน่นอนอันนี้มันก็ต้องแบ่งแยกให้เกิดความชัดเจนไม่ใช่หมายความว่า พูดเหมาไปเลยพูดเหมาไปเลยเช่นวา่าเห็นผีแล้วทุกคนกลัวไหมทุกคนกลัวใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะมาขึ้นอยู่กับใครอ่ะอยู่ที่ใครคิดยังไงนะคับางทีคนก็สนุกไปซ้าไปนะเจอกับผีเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นต้องจําแนกแบ่งแยกทีนี้แนวที่สำคัญเนี่ยงใช้เนี่ยแนววิปติปุชาคือย้อนกลับเข้าไปเขาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยาย เอาผลไม้ป่าผลไม้เอาความรู้เขานั่นแหละย้อนกลับมาถามเขาตามปกติแล้วเวลาคนที่ค่อนข้างกระด้างกระเดืองอวดดื้อถือดีเนี่ยพระเจ้าจะใช้ในในยานีเจนโอสัจจะนิครนมาอวดเบ่งมาบอกว่าแกมีความรู้มากที่สุดในโลกเลยต้องทําพืชเหล็กรัดทองไว้นะครักลัวความรู้จะดันเอาท้องแกะทะลุแล้วเท่าอวด โม่ไปในะที่ต่างๆบอกจะมาโต้อตอบกับพระเจ้าเรื่องอนัตตาอัตานาตาเนี่ยหือท่านถื อ, ถอมันเป็นอัตตาเพราะว่าศาสนาพวกเนีพ้พวกนี้ครุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตตานิพพานแล้วมันไปอยู่ทวารในะที่ใดทิศหนึ่งแล้วก็ทรมานร่างกายนะจนจนเคร่อนิรวานก็เรียกศาสนากริจมาในความคิดที่เรียกว่านิพพานไปอยู่ในแดนในที่อะไรชื่ออะไรเนี่ยที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะ มันก็มีอยู่เยอะอในสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลก็มีเยอะแน่คันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าถ้าคุณอธิบายเรื่องที่คุณพอใจก็เขาไม่ได้ว่ากันแต่อธิบายนิพพานในของพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนั้นไม่ได้แต่นั้นเองเนี่ยคือเขาบอกอธิบายอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานอไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปตัสรู้อะไรหรอก จิตสำนักอลาดาบทอุต각ดาบ ท, ที่เกียดจะไปแล้วอยู่นานแสนนานเหมือนกันเพราะงั้นประเด็นมันก็อยู่ในดเดียวแต่นั้นเองคือเรื่องเหล่านี้ในวงการศาสนาเนี่ยเขาถือเป็เรื่องปกติธรรมดาคนสามารถเห็นอย่างนั้นได้แต่อย่าไปบิดเบือนหมายความเห็นอย่างนั้นพอใจอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นก็ได้นะมันมีอยู่จริงนะแต่ว่าไม่ใช่จริงอย่างที่พูดว่ามันเป็นไม่จริงอย่างที่เราว่ามันจริงระดับหนึ่ง เช่นสมมติว่าอายุยืนกว่ามนุษย์เนี่ยหลายก็หลายแสนปีฮะถ้านับเป็นปีมนุษย์เนี่ยก็ได้หลายหลายแสนปีมันก็เราเกิดมาไม่รู้กี่พันชาติเห็นก็ยังไม่ตายเลยแต่ว่าอย่างไงก็เราก็นึกว่าเที่ยงแต่ที่จริงมันไม่เทียงเพราะงั้นลนักษณะเหล่าเนี้ยมันอยู่ที่วิธีการโต้อตอบเพราะงั้นเวลาท่านมาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้ประเด็นเดียวประเด็นว่า ถ้าเป็นตัวตนของคุณแล้วคุณบง ata, ังคับไม่ให้แก่ได้ไหมผมไม่งอกได้ไหมฟันไม่หักได้ไห้คือถามกลับไปอย่างเงี้ยในสุนดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่อยๆนะแล้วพระเจ้าจก็วกกลับทีเดียวนะฮะถ้าอย่างนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเพราะถ้าเป็นอัตาเป็นตัวตนเนี่ยเราต้องสั่งการได้เราต้องบังคับได้เป็นของเรานี่นะเป็นเราเนี่ยเราบังคับได้แต่ปัญหาว่าคุณสั่งการมาได้หรือเปล่าคุณบังคับไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมมันก็บังคับไม่ได้ คือตลบเอาเอาเอาข้อมูลทั้งหมดของเขาเนะี่ยตลบทีเดียวตลบกลับไปทีเดียวแล้วก็ก็จะเกิดความเข้าใจขั้าการต่อไปเป็นปัญหาที่วุฒิภาวะของคนไม่พร้อมที่จะทําความเข้าใจผู้เจ้าก็จะไม่ตอบเขาเรียกว่าถะปณิยะคือไม่ใช่ไม่ตอบตลอดนะไอ้ประเด็นตรงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันคือว่ากับคนกลุ่มเนี้ยยังไม่ตอบ มันเหมือนกับเด็กอนุบาลต้องการให้เราอธิบายเรขาคณิตอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะพูดเรื่องบวกลบไปได้ก่อนก็แล้วกันมันไม่ใช่ไม่อธิบายแต่ไม่ใช่อธิบายโดยวิธีนั้นแล้วก็วิธีอธิบายมันก็มีอยู่เฉพาะเรื่องตรงนั้นแล้วก็เราคุชเชไดที่ไม่ศึกษากค็คือคือการสาพสัตนานี่ต้องตามนะต้องตามระดับพระสูตรกับพระสูตแล้วก็ดูซิอัตถกาถาก็ว่าอย่างไง หาตะกถาไม่เจอดูที่ดีกาเขาว่าอย่างไงโยชนาว่ายังไงคันธีต่างๆเนี่ยก็บอกว่าอย่างมันมันจะตามไม่ได้นะตามไม่ได้หลายชัน้นและทั้งหมดเนี่ยมันจะสอดคล้องกันด้วยนั่นก็คือหลักการในพระพุทธศาสนาจึงไม่มีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนนอกจากว่าเราเพี้ยนตัวเองนะคําสอนนี้ไม่มีทางที่จะผิดเพี้ยนได้เลยนอกจากว่าคนขี้เกียจ ก็อวดดีนะเรียกคนโง่ขยันนี่ยสร้างปัญหาแก่ศาสนาคือพวกโง่หรือขยันคือไม่รู้แล้วก็สู่รู้ก็เรียกไม่รู้แล้วก็มาชี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเรารู้เราชี้เท่าที่เรารู้หรือไม่รู้เราไม่ชี้เนี่ยไม่มีปัญหาแร้วเพราะฉะนั้นปัญญาเหล่านี้มันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็เรียกชื่อแตกต่างกันเช่นว่าปัญญาที่มันกว้างขวางมองไปทุกแง่ทุกมุมเป็นปัญญาที่มีความลึกซึ้ง เป็นปเป็นผู้มีปัญญาไม่กใกล้หมายความว่ามองได้ไกลที่เราพูดถึงวิสัยทัศน์ปัจจุบันคือการมองปัญหาของบ้านเมืองมองปัญหาศาสนานี่มองไกลและมีการศึกษาติดตามข่าวครา ว, ข, าวข้อมูลต่างๆมีการวางแผนกําหนดทิศ ท, ทางที่จะสืบสานอายุประพุทธศาสนานอย่างไงเนี่ยคือมายังมองอยู่เสมอแต่เราไม่มีอํานาจหน้าที่มันก็พูดอะไรไม่ได้ เราก็นิมนต์มาเป็นวิทยกรบรรยายอบรมประสังกาธิการในตำแหน่งต่างๆนี่ก็เยอะนะพี่ๆแต่เราก็ขายความคิดแต่เองไม่มีตำแหน่งในทางบริหารอะไรเลยนะเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็พูดเราก็เขียนลรวก็แสดงความเห็นไปเรื่อยเพราะจริงๆองค์กรบริหารทางศาสนาเนี่ยต้องมีการวางแผนแล้วนะการปรับเปลี่ยนองค์กรการพัฒนาบุคลากรการปรับวิธีสื่อสารอะไรๆ ต, ต่างๆเนี่ย แล้วก็ให้สอดคล้องกับยุคสมัยด้วยแล้วก็ให้เห็นเป็นรูปธรรมเสียก่อนพูดเรื่องให้เห็นเป็นรูปธรรมเสียก่อนซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องรู้ศาสตร์เหล่านั้นเน่ยรู้ศาสตร์เหล่านั้นที่พระพระอรหรันต์พระพุทเจ้าทั้งหลายที่ท่านนั่นน่ะคือหมายความท่านแตกฉานในศาสตร์ข้างนอกด้วยที่เราเรียกว่าโลกวิถีเนี่ยมันก็รู้หมดอย่าง นางก็เปรียพราชิกาคนหนึ่งนะชื่อเจียกตัวเองว่าชมพูกานะเจ้าแม่แห่งชมพูทวีปมัจจะแปลว่าเจ้าแม่แห่งชมพูทวีปเลยมีความรอบรู้แดกฉาในสหัสสวาธะคือมีการโต้อตอบวาทะทันข้อด้วยกันนะท้าทายคนทั้งหลายแล้วก็ไปถึงเมืองพาราณสีแก้วใบปักบนกองทรายนะใครสามารถจะโต้อตอบกระแกขอให้ยกกิ่งไม้นี้ออก พระสารีบุตรถ้าเดินผ่านมาท่านก็ถามเด็กว่ากิ่งไม้อะไรแต่ ก, ก็กรากาภูนเรียนในธ า, า, า, าทุารรมก่อนรื้อทิ้งเลยนะแล้วก็บอกว่าพระสารีบุตรเี่จะตอบเองพอเธอมาก็ถอดพระสารีบุตรพอให้ถามเลยตลอดทั้งพันชาติประทานแก้ได้หมดเลยแล้วที่หลักสกามประโยคเดียวแต่เด็กหงายหลังเลยเพราะพวกนี้มันท่องมาเป็นอาขยานนะฮะท่องมาเป็นอาขยานถ้าหากว่ามัน ไม่ตรงกะที่เธอท่องมาเนี่ยเธอตอบไม่ได้แล้วมันเป็นปัญญาระดับท่องแล้วก็ตํานานท่องเหลนี้เรียนมนกันคนแล้วเก็จะศาสตร์สาวาตถะปัญจาาาาะไห้าร้อยว่าท่าร้อยว่าท่าอะไรต่ีงยก็จะส่วนมากเนี่ยพวกพวกใหญ่ๆเนี่ยเขาจะศาสตร์สวัตถะเรียนมาจากสองฝ่ายแล้วก็ไปเที่ยวท้าทายกับคนนะฮะคนไม่ได้ท่องมาเขาก็ตอบไม่ได้ แต่ว่าภาษาลิบุตรใท่านรอบรู้เนี่ยท่านเป็นพราหมมาก่อนทัานแตกฉานในใจเพศไปทางกระสาตรงนี้มันอยู่ในใจเพศอยู่แล้วนะพรอเงั้นก็ท่านก็แตกฉานนี่แล้วแล้วท่านเป็นประหานระดับยอดเยี่ยมทางปัญญาด้วยมันก็ตอบสบายสบายอันนี้ปัญญามันกว้างขวา ง, วางแล้วก็ไกลแล้วก็หนักแน่นเพราะฉะนั้นปัญญาดุดแผ่นดินที่เรียกปุริปัญญาเนี่ยปัญญาก็ดุดกัแผ่นดินคือหนักแน่นรองรับอะไรได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีปัญญามากมีปัญญาเร็ว เนี่ยคือคือเขาเรียกว่าสีขับปัญญาในปัญญาเร็วก็ทำให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระานทั้งหลายนิเทศเร็วพูดเร็วนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเร็วกว่าพระนรนทร์สิบหกเท่านะแต่พอดีพระสุรเสียงนี่ชัดเจนการเร็วเนี่ยคือสติปัญญาไว แล้วก็เราก็เอามาเทศลายอืดอือืๆทำบัดเนี่ยว่าไม่เห็นด้วยตั้งแต่บวชมาใหม่ๆศึกษาไม่กี่ปีเราบอกนี้เราเข้าใจผิดอ่ะมันหลักการํำคัญมาขัดแย้งกับคนที่สติปัญญาแหลมคมสมบริบูรณ์เนี่ยนั่งพูดยืดยืดอยู่ได้งไงก็พูดเร็วนะฮะพูดเร็วมากแล้วก็มีความแจ่มใสมีความถูกต้อ ง, งชัดเจนประพื้นฐานเนี่ยไปสัมพิทาของลูจานมันก็สุดยอดแล้วก็ มีปัญญาที่เร็วพันเขาเรียกว่าปั๊บขึ้นมาเนี่ยมีคนเคยกลับทูลถามมาพระเจ้าเตรียมคําตอบไปแล้วก็อยู่เปล่าเอาไปราชกุมารเนี่ยกลับทูลถามเพราะว่าพระเจ้าตอบเร็วเกินคือเรียกว่าล้วงล่วงเอาคาถามมาตอบเสียก่อนถามยังไม่ทันจบเลตอบแล้วพระเจ้าไม่รับสั่งรับสั่งว่าราชกุมารเนี่ยชํานาญในเรื่องของรถเนี่ยพอรถเสียเนี่ย รัเจกุมารรู้ไม่ได้ยินเสียงว่ารถมันเสียตรงไหนแกบอกว่ารู้ทันทีถามาเตรียมมาก่อนหรือเปล่าบอไม่ต้องเตรียมอะได้ยินปั๊บก็รู้ปุ๊บทันทีเลยพุทธเจ้าก็บอกว่าเช่นเดียวกันคือปัญหาพอถามปั๊บเนี่ยปัญหาจะปรากฏแก่ประเทัยของพระองค์คําตอบจะปรากฏแล้วที่จริงก็รู้ความคิดของคนนะฮนะ ค, คือสามารถจะตอบได้ทุกเรื่องก็เรียกว่าปัญญาไวแล้วก็เร็วพรานก็มีความร่าเริงหรือหาสปัญญา ปัญญาที่เรามีจริงๆเนี่ยต้องไม่เครียดนะคนมีปัญญาบางคนเครียดหน้าตาทะมึงถึงบอกบุญไม่รับแสดงว่ามาดหินใหญ่เลยเลยเครียดอย่างนั้นก็แย่เลยมันต้องอยู่สบายเพราะว่าปัญญาแล้วต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วต้องแบกเบิกบานนะฮะไอเนี่ยพุโทโธสุตโธกรุณามาณโวเทรสวมันจะต้องออกมาลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าปัญญาคุณมีปัญญามากเราก็เครียดวางหน้า เก็คอยู่ตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่ไหวอะ่ะวนนี้เป็นประสาทเพราะงั้นปัญญาเนี่ยต้องแช่มชื่นต้องเบิกบานต้องแจ่มใสาราเริงแล้วก็เล่นไปเร็วเสี่ยวชาวนะเนี่ยเด่นไปเร็วมากจะเคยพบคนบางคนเนี่ยอย่างนึกถึงอาจารย์เสถียรโพธินันทะตอนที่ท่านสอนประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ยเร็วจริงๆเลยคือท่านพูดเร็วสอนเร็วอธิบายเร็วบางทีเราก็จดไม่ค่อยได มันก็หาวีธีเตะถวงในการถามคำถามถามมาตอบอะถามแม้ไม่ทันจบตอบก่อนทุกชีเลยเสียดายนะท่านตายแต่ตอนอายุสามสิบสามแปดสามสิบเก้ายังหนุ่มมากเลยถ้ายังอยู่ตอนนี้ก็อายุสักคงสัก 70, เจ็ดสิบแต่นั้นนะขณะที 70, ่เจ็ดสิบไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะยังไปเรีออยนยังทํา ง, งานพระศาสนาได้เยอะปาปืนจริงๆนะฮะเสียดายมากก็าเรียกปาตกระถาธรรมะได้ตั้งแต่อายุสิบสี่ขวบ ต้องเอามามารองยืนเพื่อให้โพรพนสแสตนนะหัวมันพนแตนนนะตัวเล็กๆคือตอบเร็วเดี๋ยนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าในเทียบไม่ไม่ไม่ติดอะไรพระพุทธเจ้าเลยนะไปะจะเร็วขนาดไหนแล้วก็มีความแหลมคมลึกซึ้งง่ายๆนะปั๊บเดียวเนี่ยจะชัดเจนเลยแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องทําลายกิเลสนั่นคือตัวหลักว่าปัญญาเกิดเนี่ยวิชาดับ คือประเด็นสำคัญเนี่ยเรียบนิพเทิกะปัญญาจะได้ยินบ่อยนะครับเวลาพระพุทธเจ้าอธิบายปัญญาเขาเรียบนิพเบทิกปัญญาอุทยัตถามินีปัญญาคือรู้การเกิดดับของสิ่งนั้นแล้วก็ชํำระ ก, กิเลสได้ทําลายกิเลสได้เพราะว่าถ้าปัญญาเพิ่มกิเลสเพิ่มเนี่ยไม่ใช่พุทธนะมันไม่ใช่ปัญญาในทางธรรม แต่ว่าปัญญาในทางโลกอย่างที่ยกตัวญาอังคังในวันก่อนว่าการศึกษาในทางโลกนั้นศึกษาเพิ่มเติ ม, ตมหมดโดยกิเลสก็เพิ่มมานะก็เพิ่มโลภะก็เพิ่มะโทสะก็เพิ่มแข็งดีก็เพิ่มอะไรจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยที่เราไม่เคยมองในประเด็นตรงนี้แล้แม้แต่ในวงการพระเราเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีพวกป .9 หลงโลกอยู่เยอะเลยนะพวกป .9 อัตราบรรหายนั้นมันขลังมากเลย คลายกับสัพพัญญูไปแล้วรู้หมดทุกอย่างแล้วนะบางคนหลงกันขนาดนั้นแล้วก็ไม่ศึกษาไม่ค้นควา้าไม่สืบสวนสอบทานเราลองสังเกตว่าป๙ที่ท่านเด่นเด่นเนี่ยป๙นี่เป็นฐานดีนะฮะคือแตกฉานในภาษากัตธรรมะเป็นฐานดีแต่ต้องศึกษาค้นคว้าต่อเพราะตะลอดเส้นทางนี้ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกแต่ถ้าท่านศึกษาแล้วจะแตกฉานมากเราจะเห็นว่าเนี่ยอาจารย์สุชีปุญญาณุภาพก็ดีเจ้พุทธธรรมปิดกก็ดีอะไรต่างต่างเนี่ย ผูที่ได้ผู้กล้าที่เด่นๆดนดังๆอย่างนเนี้ก็ศึกษาหลายเรื่องศึกษารอบรู้แตกฉานในสายต่างๆนะฮะเพราะงั้นมันก็สามารถจะแสดงภูมิปัญญาที่ชัดเจนออกมาได้แต่ถ้าด้านเดียวเราไม่ได้นะสื่อสารกับโลกลำบาทต้างฟังมาหลายแต่รมประโพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี